สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคําข้อที่ 1.8 ครับก็คือภายใต้หัวข้อของการแบ่งปันกฎข้อที่1ซึ่งเป็นกฎทองคําคือการแบ่งปันครับการแบ่งปันนั้นเป็นวงจรแห่งพระพรในเช้าวันนี้เรามาถึงหัวข้อย่อยที่8ครับก็คือแบ่งปันเรื่องการให้อภยัย พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6กข้อสิครับโปรดฟังพระวระจนะของพระเจ้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นมัทธิวบทที่6กข้อสิบสพระเยซูคริสต์ได้สอนว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยพี่น้องครับการแบ่งปันเรื่องการให้อภัยนั้นก็เกิดขึ้นจากต้นต่อการที่พระบิดาพระเจ้าได้ทรงยกโทษบาปของเราแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของเราโดยผ่านทางพระเยซูครับเราเองนั้นก็ต้องสมควรที่จะต้องให้อภยัยแบ่งปันการให้อภัย ให้กับคนอื่นด้วยคนอื่นๆนั้นหมายถึงคนที่ทำผิดต่อเราครับพวกที่รับการให้อภัยจากเราเขาจะรู้สึกประทับใจและเขาจะให้อภัยคนอื่นๆต่อไปพี่นนท์ครับนี่คือวงจรแห่งการแบ่งปันการให้อภัยและด้วยเหตุนี้เองทำให้วงจรชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความรักและนี่คือความสวยงาม ที่เกิดจากความดีเป็นความงดงามที่เยี่ยมยอดที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราและจะทำให้เกิดการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังเช่นในพระคัมภีร์สรุดีบทที่133้าข้อที่1ได้กล่าวว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด พี่นงค์ครับผมขออนุญาตขยายความการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับในการที่เราจะอยู่ด้วยกันและจะดํารงไว้ซึ่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าหากไร้ซึ่งการให้อภัยอย่างแท้จริงความจริงใจจะเกิดไม่ได้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดไม่ได้และบาดแผลที่เกิดจากความขมขื่นบาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ ที่กระทบกระทั่งกระแทกกันในขณะที่อยู่ด้วยกันนั้นมันก็ยังคงอักเสบและเป็นหนองมันไม่สามารถที่จะถูกรื้อและทําให้หายขมขืนได้นั่นคือสิ่งที่จําเป็นมากครับที่จะต้องถูกหยิบยกออกไปจากชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่สําคัญก็คือว่าการให้อภัยหลายคนบอกว่าให้อภัยยาก ถามว่าทำไมครับเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้กลับมาดูตัวเองครับว่าพระเยซูพระเจ้าให้อภัยเขามากขนาดไหนจากการที่ไม่ได้หันกลับมาดูตรงนี้ทําให้เราไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้เพราะเราคิดว่าเราถูกเขาผิดขนาะเดยียวกันครับเราเองนั่นก็เป็นคนที่ผิดและบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องให้อภัย มันเป็นภาคบังคับในขณะที่เป็นภาคบังคับเราเองต้องสมัครใจที่จะเชื่อฟังพระเยซูคําสอนของพระองค์เช่นเดียวกันครับว่าเราจะต้องยกความผิดให้กับคนอื่นเราจะต้องให้อภัยคนอื่นพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์จึงจะให้อภัยเรานั่นเป็นความบังคับแต่ที่สมัครใจก็คือว่าเราต้องเต็มใจที่จะยกโทษให้เขา และมันจะไร้ซึ่งความขมขื่นหรือรากแห่งความเกลียดชังต้องถูกรื้อออกไปครับมันถึงจะเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่แท้จริงได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นมันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจอมปลอมเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงที่เรียกว่าเฟกประการต่อไปครับ ศา ส, สนราจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงได้เขียนต่อไปเป็นข้อที่ 1.9 กนะครับก็คือการแบ่งปันเรื่องราวการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครับพอเะนักพระเจ้าปรากฏอยู่ในพนระธรรมกาลเทยบทที่6กข้อ2จงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์โปรดฟังอีกครั้งครับกาลเทยบทที่6ข้อจงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์นี่คือการแบ่งปันด้วยการเอาใจใส่ด้วยการรับภาระของกันและกันครับและเมื่อเรารับภาระของกันและกันภาระของเราที่มีอยู่ที่เราแบกอยู่นั้นก็จะรับการแบ่งเบาไปก็จะรู้สึกผ่อนคลายทันทีนะครับผ่อนคลายลงอย่างมากเลยองพุทเจ้าทรงแบกภาระของเรา และเราก็เรียนแบบพระองค์ไปแบ่งเบาและแบกภาระของคนอื่นพี่น้องครับการแบ่งเบาแบกภาระของคนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่ารับภาระของคนอื่นมาแบกนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องแบกกังเขนของตนไม่ได้แบกกังเขนของคนอื่นและไม่ได้แบกกังเขนของพระเยซูเพราะเราแบกไม่ไหวครับแต่การแบ่งเบาภาระนั้นก็หมายความว่าตัวตนของเขา นะครับที่มีภาระอยู่นั้นก็ต้องแบกด้วยไม่ใช่ไปยกให้คนอื่นแบกทั้งหมดใช่ใช่ครับนั่นคือการแบ่งเบาภาระหรือการแบกที่แท้จริงก็คือช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะแบกนะครับแบ่งเบาภาระของกันรในกันพี่น้องครับต้นไม้ครับที่อยู่ในป่าเวลาฝนตกน้ําฝนก็จะร่วงลงมาจากกิ่งก้านของต้นไม้ และร่วงไปสู่ต้นไม้อื่นๆต้นไม้ทุกต้นในป่าก็จะได้รับความชุ่มฉ่ําชุ่มชื้นด้วยกันทั้งหมดใบที่อยู่สูงก็จะรับน้ําก่อนแล้วมันก็จะไหลลงและก็ไหลไปถึงใบอื่นๆที่อยู่ข้างใต้ต่อไปนั่นคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครับนั่นคือการแบ่งปันกันนั่นคือการ ช่วยกันรับภาระของกันและกันจึงจะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์หัวข้อสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับก็คือการแบ่งปันเรื่องการถวายทรัพย์ครับพระเจ้านันพระเจ้าปรากฏอยู่ในพรมารคีบทที่3ข้อที่10ซึ่งเป็นพระวจนะที่เราทั้งหลายคุ้นเคยกันนะครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทั์สาง เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพร อ, อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่พี่น้องครับอาจารย์ฟิลิปเทงได้เขียนอย่างนี้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีรวมทั้งชีวิตลมหายใจของเราล้วนแต่ พระเจ้าประทานให้ทั้งสิ้นพระองค์เพียงให้เราถวายหนึ่งใน10อีก9ส่วนโปรงทรงโปรดให้เป็นของเราให้เราใช้แต่โปร่งต้องการหนึ่งส่วนใน10พระเจ้านั้นทรงสำแดงพระคุณมากกว่าคือเมื่อเราได้ถวายสูงสุดในส่วนที่เราต้องทำ ทำอย่างสุดกำลังก็คือหนึ่งในสิบครับและพระองค์ก็จะทรงเปิดบัญชอนท้องฟ้าบัญชอนท้องฟ้าคือหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เราและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เราและเราก็มีกำลังมากขึ้นที่จะถวายแด่พระองค์พี่น้องครับการถวายนั้นจะต้องมีวิ น, นัยและวิ น, นัยเกิดจากการฝึกฝนครับ ศาสตราจารย์ฟิลิปเทงได้เขียนต่อไปครับว่าเมื่อเราถวายคริสจักรก็ได้รับพรคริสจักรก็จะมีกำลังมากขึ้นที่จะประกาศข่าวประเสริฐคริสจักรก็จะสามารถนำคนมากมายมารับเชื่อพระเจ้าได้จากตรงนี้นี่เองครับทำให้เราเห็นวงจรของการหมุนเวียนวงจรแห่งพระพร อ, อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อพระเจ้าทรงพระคุณ โดยการถวายสิบรถพระองค์ทรงประทานพระคุณมากขึ้นพระเจ้าทรงประทานพระคุณและโดยการถวายสิบรถพระองค์ทรงประทานพระคุณมากขึ้นทําให้เราอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและจะทําให้คนมากมายได้รับพระพรมากขึ้นแต่จริงพระองค์ไม่ต้องการเงินถวายหรือทัศน์สาังหรือ10บรถของเราเหรอกครับเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของพระองค์แล้ว โปร่งชงสร้างขึ้นมาปร่งเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เราถวายนั้นพระเจ้าต้องการให้กลายเป็นพระพรกลับมาคืนมาสู่พวกเราครับยกตัวอย่างโบสถ์ที่เราสร้างอาคารโบสถ์อาคารวิหารที่เราสร้างขึ้นมาในที่สุดพวกเราก็เป็นคนใช้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราถวายผลประโยชน์ก็จะคืนกลับคืนมาสู่ที่ตัวของพวกเรา ในการถวายทรัพย์ของเรามีประโยชน์อยู่4ประการครับประการที่1ก็คือถวายเกียรติแด่พระเจ้าการถวายทรัพย์นั้นก็เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการสรรเสริญพระเจ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าอันที่2ก็คือว่าเมื่อเราถวายทรัพย์คนอื่นๆก็จะร่วมรับพระพรกับเราครับประการที่3ก็คือเมื่อเราถวายทรัพย์เราจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ จากคิดาจักรของพระเจ้าและคนอีกมากมายนอกจากเราก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ได้รับความช่วยเหลือจากคริสาจักรประการสุดท้ายครับเมื่อเราถวายศรัพย์เรามีความชื่นชมินดีในพระคุณของพระเจ้าและมีคนใหม่ๆ ม, มาเพิ่มขึ้นแผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไปและคริสตจักรนั้น ก็จะรับพระคุณกลับมาอีกมากมายนั่นคือประโยชน์สุดท้ายของบทที่1ในหนังสือ20กฎทองคำของศาสนาจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ท่านเขียนหนังสือที่มีคุณค่าเรื่มนี้และต้องขอขอบคุณศาสนาจารย์สุพิธวิจักรโยทินที่ได้กรุณา แปลหนังสือเล่มนี้มาให้คนไทยเราได้อ่านขอบคุณพระเจ้าครับกฎที่ผ่านไปเป็นกฎที่พื้นฐานที่สุดครับก็คือกฎแห่งการแบ่งปันหากพี่น้องจำอะไรไม่ได้นะครับขอให้จําไว้คําเดียวครับคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดก็คือต้องให้การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับครับขอพระเจ้าทรงนําชีวิตของเราที่จะให้ สุขใจที่ได้ให้อเมน